งานในวัดของเฮาในงานที่งานใหญ่ที่หลวงพ่อรวบรวมลงมา ก, ก็คืองานกรถินและก็งานวันเกิดของหลวงพ่อ27เมษาและก็วันทีเนี่ยงานกรถินแต่ว่าก่อนหน้านี้หลวงพ่อจัดเป็นงานทําบุญรวมญาติอีกงานหนึ่งแต่หลวงพ่อก็เลยเบิ่งแล้ว งานของลงพอมากเกินไปที่ปั่นผ่านมากทั้งงานลงปูหล่ทาทั้งงานของคุณแม่ชื่อแก้วทั้งงานลงปูจามทาั้งงานหลวงต า, ามากไหม ก, ก็เลยร่วมงานบุญร่วมญาติก็ลมาร่วมเป็นวันที่ยี่สบเจ็ดเมษาก็เลยเป็นงานสองงานในวัดในวัดของเฮาแต่ตามไม่จริง แต่ ง, งานกรถินก็ตามงานเดือนเมษาก็ตามหลวงพ่อเองบ่ได้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญในความรู้สึกของหลวงพอ่อแต่ลูกศิษย์ลูกหาคณะสัตยาธติโน้มจะถือว่าเป็นงานสําคัญการสุดแทนแต่พวกเข้าจะถือเพราะเหตุไรเพราะงานกรถินหลวงพ่อเองคือให้มันพันพานไปคันาว่าปีหนึ่งบ่มีกรถิน คนทั้งหลายก็ถามกระถินวัดหลงโพอินบันที่เท่ายเป็นอย่างยังบอมีหุวงพ่อขี่ข้านตอบขี่เกียรติตอบคาพูดเพราะนั้นให้มันผ่า น, ผ, านผ่านไปซะให้มันจบจ บ, จบไปซะเรื่องจะทุกปัจจัยที่ใดมากเออทำมันใดมากให้มันเกิดประโยชน์ช่วยเหลือวัดว่าศาสนาช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นและสาคัญ ไอ้เกิดประโยชน์ที่ไดมากแต่ขันบ่อใดมากบ่มีหลวงพ่อก็บ่อได้ทุก อ, อกทุกใจขึ้นกันพราะมันบอ่อมีเท็จยังไงอันนี้ก็คือขึ้นกฐินส่วนวันเกิดของหลวงพ่อขึ้นกันหลวงพ่อคนเท่าก็ต้องมีวันเกิดกันบ่มีมือเกิดเท็จยังไงเนอะ่ยก็ต้องมีวันเกิดที่พันพานมากเกิดมือใดกันมีแต่ว่าคณะชัดท่าแย่จุ่งกว่ามา้ารวมกัน แสดงความยินดีว่าวันเกิดเป็นวันสำคัญของผู้มีอุปกรณคุณหลวงพอ่อคือพ้หนึ่งปกรณงคณะช า, ต, าติญาณงมมาร่วมกันแสดงความกันกตันยูกะตะเวทีตาแสดงความโมทิตาสักกะระในวันเกิดหลวงพ่อเองก็หลวงพ่อววันเกิดของเจ้าของ อย่าน้มสิมากอะไรบ่มากอะไรกันมากก็ดีได้พบได้เจอกันลูกหลานนั่นๆั่นแต่หาว่าบ่าบามีวันใน อ, อย่างเชเลยพวกห้องกับบ่ได้พบได้เจอกันลูกชิดเนลูกอาจารย์ก็บริพบกันกันว่ามีมั่นวันที่นั่ น, นลูกชิดทั้งหลายก็ให้ความสําคัญะดาหน้ากันเข้อมาเดินกันเข้อมาหรือว่าใส่ใจในการเข้อมาหลวงพ่อก็ได้พบ ลูกซิดลุกหาคณะรัทธาญาดย่อมอันนี้มันก็ดีแต่ว่าจะจําเป็นสําคัญไหมหลวงพ่อก็บอกมากกระไรบ่มากกระไรกับชุดแทนแต่พวกเข้าซีมากกันผ้าผาลกิจธุรกิจเท่ามียูเข้าบ่มากก็บอกเป็นยังหลวงพ่อก็นับเนืองว่าเป็นลูกซิดลูกหาออกตอนยาดย่อมคือเก่านั่นแหละให้ความเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์คือเกา้าอันนี้ก็คือหลวงพอ่อนะแต่ว่าคณะสัทธายาดย่อม อันนั้นก็นสุดแท้แต่จิตแตใจของแต่ละคนหน้ า, น า, นาจิตตังหน้ า, น า, นาทัศนะเพราะนัน้นหลวงพ่อก็ได้พูดตลอดมาแต่ตลอดมาจึงมีการพิมพ์ซ่องอวดดีกานิมนต์ครูบาอาจารย์มาในสองงานนี้สุดแท้แต่พูดได้สิมา ขั้นมากเลยที่หาพลได้เป็นองค์แสดงถ้ำองค์งแสดงถ้ำหรือองค์เทศมาต้องหาทุกคนมาหาลงพอก็ูงจะคิดเล้ววัดหลวงพ่ออินขั้นบ่อยากฟังหลวงพ่ออินเบอกยา마ขั้นพลได้อยากฟังหลวงพ่ออินบอกเออ่อยมาหลวงพอ่เอเสียบอกยังให้ฟังะตามแนวความคิดของหลวงพอ่ออันนี้ก็คือหลวงพ่อแบบง่ายๆแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเขาว่าง่ายๆค้ามหนะ เข้าเป็นเจ้าของบ้านคณะรัตยาติษมเป็นเจ้าของบ้านลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านเวลาแขกโคตมากพวกเขาก็จะต้องยืนต้อนรับครับสู่อยู่จังไดกินจังไดไปจังไดมาจังได ห, ห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอา้ะอานไหมช่วยกันดูช่วยกันแล่ช่วยกันดูแลผู้ทีม่มาสู่วัดว่าศาสนามาสู่วัดหลวงพอ่อ ว่ารักเคารพให้ลงพอพวกเขาก็ต้องยืนยัดอต้องการว่าต้องซอยกันจังใดที่จะต้อนรับครับสู่พี่นอกมาจากยาตุรทิดมาจากท่างไก่เข้าเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องแนะนําเหมือนกับมักกุเทศนันะไปมองขันไปมองนี้แล้วก็ดูแลห้องน้ำห้องท่าพระสงฆ์ก็ดูแลส่วนหนึ่งส่วนพระสงฆ์ จะไปแห่นดูแลหญาดโยมกระบดาดมือจังสันจะไปพุกผ่านบุนไหว้พระสงฆ์คุ้มผาชื่อเลี้งไปหม่นไปกับหยาิกับโยมมันกระบดมดแนวเป็นกัรเป็นนาทีของหญาิโยมจะต้องแต่งตั้งจะต้องเบิงกันผวกห้อไผ่สีเบิงของหนามของทาเบิงให้มันดีมันเคยมีบางค้นพอออกมาแล้วก็ล็อกของนาม ล็อกถิมไว้ถิมไว้มันบอกขืดว่าให้ทุกแกท่านทุกนั่นจะถึงตัวในอนาคตมันบอกในคิดพออกรอกแล้วบานนี่ไปจิเขาห้องน้ำเขาเขาบ่ได้พอคิดว่าคนอยู่ในหันผลที่สุดเจ้าของบานกขาบอกหูจักพอเจ้าของบานบ่ได้ใส่ใจสิงมูนีพวกเขาเป็นเจ้าของบานต้องหูลักตาไหวต้องสังเกตสังกา คันว่าเขาไปแล้วมันบ่มีเขาไปเพไาะไหนแม่นไปเพราะใดแม่นภายยู่หันฮนะก็ต้องรีบหากุญแจคู่บาก็ต้องเตรียมกุญแจไว้กนะุญแจยู่ใสบอมแม่นจะพูดนะไปไว้ล้างวัดพอนนะ่ะพระมีอัน น, อาานั้นก็มาจนเอาแลังมังัดพอนนะ่ะอันนั้นก็แปลว่าขาดความรอบคอบนํากันวัดทัางทีมนะสิ่งมูนี่เราต้องได้คิดอนะไฟยู่ใส เมือหนาท้องติดไฟจังใดหนามมันจังไดความรอบขอบมันเป็นนาทีของพวกเข้าจะต้องช่วยกันคิดทั้งมัดพวกขนกลุ่มใหญ่จะให้หลวงพ่อเป็นผู้รับภ้าละหนึง่งกล้องจะเป็นไปจังสันบอ่อใดหลวงพ่อก็ให้มีแต่แนวนัโยบายเท่านั้นเองกานว่าสุเจ้าทางไลยพวกเข้าท้งไลยโอ้ในมันหนุงยากคักหลวงพอ่บอบ่อไหวเด้อท่านก็บอกมา เขามีวิธีแก้ไขง่ายๆฮาวิธีแก้ไขหลวงพ่อนี่ยง่ายๆ่ายง่ายจังไงหลวงพอ่อเอา้าไกล่จะหอดมือหลวงพอ่อออกไปจากวัดจะกับชุดแทนจะไปซีมาตัวบัณฑ์จะไปหายาขายซาอย่างเมนบละ่ะหลวงพ่อแก้ไขแก้ไขง่ายที่สุดเอหลวงพ่อเฮ็ดอย่างไดพวกพวกเขามันนักเด็ดคือั ด, อดเอยหลับประวัติบระไว้เด้ก็บอกมาฮหลวงพอ่อจะแก้ไขาหาเลยหอดมือพุ่นไปอยู่หลังผู้ก่อนหมดไปอยู่กุฏิอยู่ผู้เดียวพุ่น อ, อมอยียังเกิดชันแล้วมันเลีวๆแล้วมันสีหาถูกหา ย, ยากยังมเมนวละอันนี้คือวิธีการแก้ไขลงพอลงพอทำได้หมดนันะคะแนว่าลูกหลานคขามานหนักอกหนักใจคะแนนพวกเข้าคัแนว่าพวกเข้าเออถึงยังได้กับปีหนึ่งกับบ่มีกี่เทือ่อที่ลงพอบ่อนมีสองเถื่อเท่านั้น อ, อาจจะมีสามเทือ่อต่อไปไพ่ภาคนาพวกเขาก็ซอยกันเออเขี่ยงบาเขี่ยงไรกันสำหรับซัดท่ายาดโน้มก็เอา ดูแลกันไฟพระสงฆ์นะเออเอารับภาระช่วยกันแบ่งกันแบ่งเบากันบางทีบางที่ไฟพระสงฆ์พร้อมทั้งไฟฆคาวาสพร้อมทั้งไฟฆราวาสทั้งไฟพระสงฆ์จะต้องทํางานร่วมกันก็ต้องแบ่งงานกันฆรวาสเฮ็ดยังพระสงฆ์เฮ็ดยังรับผิด ช, ชอบจังไรกันอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเข้าทั้งหลายทํางานเป็นทีมทางว่าพวกเข้าทํางานเป็นทีมแล้ว งานทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะนักหนาสาหัสขนาดไหนก็เถอะต้องผ่านไปได้เห็นไหมงานของหลวงตารนะับค้นเป็นหลานหลวงพ่อของสูเจ้าอกำลังเมาอยู่นี่ยนะยืนยัดต่อสู่ท้ำเพื่ออย่างถ้ำเพื่อหลวงตาเรื่องอย่างอุปสรรคหน้านับประการมากตัดสินใจเลยขันเขาาถามบอมมี่โพดายิต ถามไปองค์อื่นดิไปถามหลวงปู่ลี่ไปไปถามหลวงปูป่บุญมีไปบอมีทางไอ้มาหอดหลวงพอ่อหลวงพ่อตัดสินใจเชอะเลยจบรับผิดชอบไอ้ยังเกิดขึ้นมาเอา่จะต้องรับผิดชอบเต็มประตูเลยนี่แหละอันนี้คือความรับผิดชอบในช่วงนั้นนะกันธวาร์เฮาสีโนนผุนั น, นโย่นผุนี้บอ่อใดเอ่เว้นเสียเแตาเออกรรมกึงธรรมกับกรรมกึงคืออยังทั้งส่วนบ้านเมือง เขาจะไปตัดสินใจบอ่อใดขนาดมันต้องอาศัยทั้งบ้านเมืองสมว่าเกี่ยวกับพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเกี่ยวกับการตอนรับครับสู่แล้วก็เกี่ยวกับวัดแล้วมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อจะตัดสินใจเลยนี่แหละอันนี้ก็คือการคืองานหลวงพ่อนี่ยค่ยผ่านการผ่านงานมาหมากพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกเกาวแนะนํำลูกหลาน จัตฐานยัดโน้มผาเน้นของหลวงพ่อเนี่ยถึงข้าวนั่นมือนั่นให้ยืนยัดอจะไปเห็นแก่กิน่นจะไปเห็นแก่อยู่จะไปเห็นแก่โมกแก่คุยจะไปเห็นแก่อวดแก่อ่างเฮ้อขาเป็นเจ้าเป็นลูกจิตหลวงพ่ออินอนั่งอิเลีอยนเถือถ่อเถาะเนี่น่ะอ่าโอ้ยจักการโ อ, จกกรโอ้จักงานนั่นหลวงพ่อกะว่าท่านว่ต้องเฝ้าล็อกหลวงพ่ออินนนั่งอยู่ทังสิ่งล่ะมีหลวงพ่ออินมิเตกกว่าก็ว่าเท่านั้นละ่ะผพวกเข้ามีหน้าที่อย่าง ให้เบิงเจาของขามีนาทีหยังให้รับนาทีกันก้นละนาทีผู้ที่เฝ้าก็ไมีซ่บอกว่าเออถ้าหลวงพ่อมีหยังกับเบิงเบิงหลวงพ่อเนี่นางๆยงย้อ น, นละเพราต้องหนีไปใส่นะหลวง พ, อพ่ออำเภอหลวงหลวงพ่อใดใส่ขันบมมีค้นเฮาเฉลี่ยมันก็บัวใดเน่หลวงพ่อเก็เหลี้ยวโลกเล็กโลเหลกยักษิีม้นสิใส่ไผ่คนต้องมีผู้ใส่ คันผู้ยูกันยูอ้อมสามลาบยูจนบอฮิจักทําการทํางานมองอื่นมั่นกับบอแมนแนลอีกขึ้นกันเพราะนั้นต้องแบ่งกันเบิงต้องแบ่งกัน ร, รับผิด ช, ชอบเรื่องการเงินการท่องขื้นกันเรื่องนับปัจจุปใจัยให้เบิงกันไวแม่นไผสิขอมาดูแลในเรื่องนี้ให้เบิงกันไวบ่แมนสิทธิ์เฮดแบบผ่าป่าตึกหนีไฟเมื่อกี้นี่ย ต่างคนต่างนับอนับพ่อปันผีบานับของพ่อปันผีบาได้ครบลงพอวานะ่ะยังกินแต่ลงปูศีร่าเนอะผีบาณ์ได้กรบได้มากแต่ได้ ก, บ, กบตัวเกานะ่าเนาะมาอวดทุกข์ยุบอวดทุกคนอยู่พ่อะปะันนั่นเอาไปมากผู้หูจักกับว่ามันได้คบจังหลายโตไปแห้งบรนแลาไม่กบตัวเดียวนะมาอวดเขาหย่อนอันนี้คือกันอพ่อนับไปนับมา เงินทอร้เงิน4ี่ล้านกว่าบาท่าแล้วลงพอยังลงพอนับบลอกขอบเรบลอกขอบนับมากกว่าเมื่อหยือนไอปอลงพตามไม่จริงพวกนี้ก็นายจะไปเฝ้าวัานหน่ไปเพราะว่าเขาจิตนั่นอยู่แล้วเขาจิตถวายลงพออยู่แล้วปอไปดูซิเอาผู้จัดการไทยพาณิชย์คุณชนะ แล้วไปสามสี่คนไปน้ากันนะเอาเงินนี่เอาเงินฝากเนี่ยนะที่เขานับวันเนี่ยเอาไปธนาคารนะเมื่อเนี่เป็นวันอาทิตย์เพราอศูนย์การค่าเขาเปิดอยู่แล้วธนาคารกรุงไทยเอาเขานะไปเบิงน้ากันนะจัดการให้เรียบร้อยนะไปเบิงน้ากันนะโบแมนผูใ้ใดคนหนึ่งเอาไปฝากโบแม่นนะเอาไปน้ากันนะครับบาทฮ่าเอาไปหอดกรุงไทย หลวงพ่อออกมาจากกรงพยาบาลนางรถมะมดทอดบั้นผือสำหรับไปมาหอดกลางทางเขาโทษเขาโซโฟเฟอร์หลวงพอ่อท่านปอโทษมากไม่ยังล่ะปอโว้เงินบวครบหลวงพอ่อท่านอ้าวเป็นยังไงแล่ะขาดหลายปั้นน่ะขาดล้านหาแล้วท่านโทษกำลังขาดชีหาหมื่นสองสามหมืนแสนสองแสนก็นยังพ่อไหวเว้ยมันขาดยังไงล่ะนับอีกกหน้านับตั้งหลายเทือแล้ว ขาดต่วได้เหรอาดล่านหาแล้วฮะมันเป็นแ ย, ย่งขาดล่ะจักเหลวสันต่างคนต่างขนาดนี้คำนนผมม้าผู้เดียวคำนั้นแย่ผมจิหางเงิ่นล่านหามาใส่เหนียวสันอันนี้ม้าตั้งสามสี่คนมาเบิงนำกากันี่ยแล้วก็มากับมัดย่างดีอีกต่างหากเนแล้วมากับมาเปิดต o น n a กันอีกต่างหากนี่ยเออเอาบิงเนบะิงเนาะตรงเบิงตรงมีทีไปที่มานาะ เอนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าพราเหตุใดก็เพราะผู้ที่นับเนี่ยเออนับสุ่มซีนับสุ่มหาพ่อปันพี่บ้าได้บฮะหลวงพ่อสรุปแล้ววันนั้นไปป๋อผมเท่เถือถ่อเธ อ, อหนึ่งเลยหลวงพ่อส่ไปนับอยู่วัดหลวงปู่เพี้ยนเขาก็นับนั บ, น, บนับแล้วผมก็มาให้ผมออได้เงินเท่าไหร่เงินกระถินผมก็เอาไปฝากผมนําไปฝาก พอมันหอดบ้านมานนับเปิงขาดเงินไป็นล้านไอ้แสนหาเงี้ยอย่างไรมันหอดบ้านเจ้าของเละผมวกาได้จกเงินแสนหาใส่กั้นสันเขาขจวีวางมาหอดบ้านแล้วเงินขาดนว่แัละผมก็ได้หาเอาเงินในบ้านใส่กระบอกไปยังผมก็ทําบุญไปเลยแสนหาเงี้นี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเขายกขึ้นมานี่เพื่ออย่างบรมเณรท้าวจีตัม น, มนิผู้นันผููนีอยับยกเป็นอุธทธาหอนให้พวกเข้าได้คิด อคั้นแบบวัดของปูมันมีด่อยยังชั่วอยู่ด้ยคนอย่างเชี่ยวเขามาทอดผ้ากรินเนี่ยพอมาห่อนแล้วประกาศเงินทั้งหมดเก้าแสนจักมื่นกระบาไปบาทฮะแล้วมาหนับบางเดแทแถมเงินหกแสนเน็กเหมือนเงินหกแส น, นะ ม, น, น, แสนมันขาดไปสามประกาศไปแล้วว่ายเฮ็ดยังไงบัดประกาศไปคนหูจักคูหูมาตาคนแล้วเงินขาดสามแสน เอาไปมาเจ้าภาพก็มันได้โจกใด้อีกคนนึงไปแล้วมันหายมันคบเก่าไปแห่มันเก่าแสนจังสั่นมันก็ยังข่ายเยอะเน้อันนี้มันผู้มานับเนี่ยนับชุ่มซีนับชุ่มหานับแล้วแล้วบ้านเนี้ยบ้านตกนักสําหรับผู้เอ่อที่มานับที่มานับที่หลังฮะนี่แหละลงพอว่าบออยากจะให้มันเป็นจังสั้นเรื่องการสอนความรอบขอบ สรุปราก็คือสอนความรอบคอบให้แกลูกซิดลูกหาอย่าไปทะเลาะกันเซีงโมนีต่ต่อไปก็เอาเปยังยังเป็นเงิสัตวเป็นยังยังเป็ น, น, งนเนงิงเนนงสี่เอาไปให้มามันก็เลยไปตกสำหรับผูกจูปายมือวันนึงขอให้พวกเขานะมือที่จะถึงเนี่ยไอ้ผู้ที่นั่นไ่นต้องเป็นต้องนับกันผู้ที่มานางรวบรวมกันรวบใบยี่สิบนับยางหัดตวบใบยี่สิบใบห้าสบก็นับใบห้าิบ ใบลอยก็ น, นับใบลอยใบหาลอยก็ น, นับใบหาลอยใบพันก็ น, นับใบพันเพระต้องนับวนๆไปมีแต่ร่วมจะซือ้ออย่างหัดอย่างหัดอย่างหักมันมีเครื่องนับเลขอยู่แล้วนะจากนั้นเนี่ยพวจนับเลขจับมากันนับเพลิดนี่ทีลงพอเห็นเนี่ยเขาเอามาหา่หยเครื่องนับเลขบาเลายสองคนกันตั้งจดย์ใช่ไหมบาา้านนี้เท่าไรใบพันเท่านั้นใบลอยเท่านี้ขนาดลงพอยุติปานได้โด่งเรื่องการเงินลงพอยัง ยังหูจักวิธีการจัดการมันลงไปบางทีโมเมนต์ใธนาคารสู้เจ้าแห่งจับเงินอยู่ในกระเป๋าคู่มือนี่มันสิประลาดปานนันบอกลงพอบุเคยจับเงินไหตั้งแต่บวชมาบุเครได้จับเงินมันลงไปแต่ลงพอก็ยังหูจักวิธีว่าวิธีการที่เห็ุอย่างไรมันจะหอบขอบเนเ่ยพอนับธิดจแล้วก็สองก้นก็จดจดเลยจะเอาเขามาจเอาเข้ามาอีกในวงการอีกจับใส่กระลังไปเลยจับใส่กระลังกระลังกระลังไปโมเมนติจับใส่ นับเพื่อแล้วกัจะกลับมาหาอีกมานับกันอีกก็ก็ไปหาเกออีกเอาไปก็มาสับสนเนยว่เอาไปเลยเออบางคนมันไปพิษกับเมียมาพอแห้งเสียสมาธิมาพอแห้งมาวัดหนวลงไปมาหอดวัดเนี่ยจิตใจพยูก็เน่อก็ตัวเนี่ยนับพิษนับถือไปวันเนี่ยผู้ไม่นับเงินมาวลงไปเพราะใจเพเป็นสมาธิดิเออบางที่ให้ให้ลูกให้ให้เมียบางที่ก็ให้ให้ผัวมาให้ให้ลูกมาพ่อแห้งมาหอดเนี่เสียสมาธิ มันก็เลยนับเงิ่นพิดงับเงินถูกไปบัดตายไปหาผลาออกมาสิ่งโมนิมันต้องคิดนะหลวงพอบอให้ฟังสุดๆเนอคือความรอบขอบทั้งมัดที่หลวงพอบหลวงพอ่อเกี่ยวบถึงเกี่ยวบุดตรงจะได้กิดตามก็เพื่อเขาพวกเข้าท่านทั้งหลายได้คิดในการบริหารจัดการให้มันเป็นร้ำอยากนั้นพ่อนับเรียบร้อยเลยเ ด, ด้ตัวเลขมีเท่าไหร่เอาตัวเลขมา่กัน พระเจคยนต์ในฐานะขานใช่ไหมบ้านในาคานเขาก็รออยู่แล้วไกนยนต์เนี่ยเขาเป็นอาทีของเขาเขาจะต้องนับระบาดนี่เท่ากับเมื่หนาทีเท่ากัต้องไปเจ้ากี้เจ้าการไม่ต้องไปนับไม่นับมือเขาหรอกธนาคารปล่อยเขาเลยเขาหู่จักตัวเลขกละ่ะเขาจินับพิดนับถือจังไรเท่ากับจงคอยมาว่ากันอีกนี่แหละสิงมูนี่อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาลงคอเนี่ยเป็นเอ ก, กฉันมีความรอบคอบใส่จติใส่ปัญญา เอาไปมาจะมาพิษมาทะเลาะกันในว่งการตัวนี้อีกหลวงพอ่อบอยาเค็นมนันไปลูกชิดลูกหาทะเลาะกันเนเอผู้อื่นมาทะเลาะหลวงพอ่อกับหลวงพอ่อกับเอืเอมละอาอในการพวกเข้าใจกันทั้งตาวต่างข้นต่างอมีนน้ำใจต่างค้นต่างมุง่งหวัง เ, เพื่อทํางานทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อ พ่อแม่ครูบายจานย่างเดียวมันก็จบเท่นั้นแหละเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกพวกเฮาทันทั้งหลายเนี่ยขอเป็นแนวความคิดให้แกพวกศรัทธาญาติโยมทุกข์ทุกคนนะผู้ที่เกี่ยวของก็มิผู้ที่บบเกี่ยวของก็มิผู้นั่งฟังอยู่นี่ถึงจะโบกเกี่ยวของก็เถอะเป็นบทเลียนของเฮาขึ้นกันการดําเนินการหรือว่าการดําเนิน ง, งานเขาไปชูชุ่มชนสังคมควรจะว่างตัวจังใด มันเป็นแนวทางของพวกเข้าทั้งหมดเนะพราะหูของห้องมีอยู่สองขางเจาะใบฟังคักๆคนออกไปตาของห้องก็เบงังว้เบิงคักๆคนออกไปใจของห้าก็เป็นเอาไว้เพื่อสํานึกสําเนียกสํานึกการกลองไตรตองเหตุและผลหลวงพออ่อว่ายฟังเนะี่ยฟังเบาเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อเป็นการศึกษาสําหรับพวกเข้าทันทั้งหลายแต่ว่าถึงจังไหนก็าตามเวลาทิ่งท่วนของพวกเข้าทั้งหลาย ให้พวกเข้าทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บัตหาสุดไทยทุกสิ่งทุกอย่างถิ่มไว้ในโลกอีกทั้ทงมัดหยดถามบรรดาศักลาบหยดสรรเสริญสุขสามีภรรยาลูกตันลูกหลานเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติอความมั่งมีสีสุขทั้งหลายถิ่มไว้ในโลกขนาดกระดูกเจ้าของก็ถิ่มไว้ในโลกอีกบอกเอาไปอีกต่างหากผู้ใดเอากระดูกเจ้าของไปได้ ตายไปเลยกระดูกเทีย ไ, ไปนั่มเจ้าของมีดบ่ถิ่มไว้ในวนะัดเนียมีดตะบุญกับบาปเท่านั้นแหะที่นําพผัวเข้าไปสู่ปราโลกไพ่ภาคหนาเพราะนั้นขอให้พัวเข้าทุกขู่ทุกคนนะคิดตัวนี้ให้คิดเอาไว่ทําความดีเอาไว้คิดดีพูดดีทําดีเอาไว้บุญกุศลจะเขาสู้จิตสู้ใจดวงวิญญาณหรือใจของเขานั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปไพ่ภาคหนาฮะนี่แหละให้สั่งสมไว้ให้ทําไว้ พวกเขามาอยู่ป่าอยู่หลงพงไพ่มาอยู่ด้วยความยากลาบากทั้งหินทั้งยุ่งการอยู่กันฉันการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันบกคืออยู่ในบาดในเมืองบริสุทธิสนุกสนานเผดเพิ่นเฮ่ห่าเหตุอย่างทําอย่างตามใจเจ้าของอยากจะทําเข้ามาอยู่นี่มาอยู่ในกฎมอยู่อยู่ในระเบียบอยู่ในหลักธรรมขําสอนของพระพุทธเจ้าบวาไผ่ทั้งมดเข้ามาอยู่ในพวงการพระศาสนาทั้งไฟพระสงฆ์ขึ้นกัน หลวงพอ่อเห็นไหมอยู่องค์เดียวชั้นมือเดียวและการพูดการกระทำก็อยู่ในกรอบของรักรรมวินัยอีกต่างหากเบิงตัวตากันเบิงกันพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสินสองยี่สิบเ็ดขอ้อให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นอกเนื้อจากนั้นอีกสินอภิสษษมัยจารีกรักษาอีกกฎระเบียบในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์การจะพูดอย่างไรมันจึงจะถูกต้อง การทำเชิงใดมันจึงที่ถูกต้องคิดอย่างไรคิดตามหลักธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าเอระว่างอดกระทั่งความคิดตัวนะมันโมเมนต์ะว่างแต่กระทั่งความพูดธรรมดาคิดกระต่องระว่างท่ำกระต่องระว่างพูดก็ต้องระว่างแต่ว่าการการระว่างใจของเฮ้าระนะการระว่างใจคือ ก, การกันกล่องไตรตองทา้งคิดใจดีแล้วนะคิดใจมีเหตุมีผลแล้วการท่ำออกไป มันกระบอกพิษการพูดออกไปมันกระบอกพิษราะว่าใจของเห่ า, าคิดถูกต้องแล้วบกคิดเบียดเปียนผู้อืน่นบกคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อืน่นอบกคิดพยาบาทอาขาดมาดไายผู้อืน่นอคันว่าเห่าคิดอาขาดมาดไายผู้อื่นจองรอจองล่างจองผานผู้อืน่นยุ่ในจิตในใจของเห่านะ่ะการกระทะออกมาเมื่อก็พิษการพูดออกมาเมื่อก็พิษลด่ะ มันพิษออกมาจากใจเพราะนั้นลักถรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพญาว่าให้รักษาใจให้ใจมีศินให้ใจมีธร้ำให้ใจมีเหตุมีผลให้ใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้จิตใจอยู่ในลักพระถรมวินัยให้จิตใจอยู่ในพระธรรมคําสอนให้จิตใจอยู่ในกฎในระเบียบกฎหมายบานเมืองให้อยู่ในจริยธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาใส่ใจเขาสิ่งที่มันบุรียาเหตยาธรรม นี่แหละขั้นเฮาใจของเฮาคิดใดจังสั่นอยู่มองใดมีแต่ความลมเย็นผ้าสุข เ, เมื่อนี่หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายแก่พวกคณะออกตนญาติโนม้มที่มาอยู่ไก่อยู่ในวัดเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพอ่อนำไปคิดไปพิจารณาบางน ะ, ะบางเชียงบางย่างอาจจะหลวงพ่อนี่บอตรงเกินไปขั้นบอตรง บดตรงนะมันจะแก่บวัวไหะมันต้องตรงถ้าตรงแล้วบางทีมันก็เสียความรู้สึกแต่ความรู้สึกก็พอไปยั้งหรอกเมื่อพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปพ่ายภาคนานะพวกท่านทั้งหลายจะจะได้สํานึกว่าที่หลวงพ่อว่ามือเนี่ยนหะออน่าคิดว่าหออนักคิดทบทวนทางหลังวะพวกท่านทั้งหลายจะได้รู้นะตอนนี้ไปพผาสงเจ้าอนุโมทนาให้พร น, นะ